ลำลึกถึงบรรพบุรุษแต่ที่เมืองไทยของเราอีสานเหนือของเราก็ว่าทาบุญข้าวประดับดินเพื่ออุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปกระคุณสำหรับพวกเราอันนี้ก็คือการบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาประทมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่สูญ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 พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนั้นอันนั้นแหละเป็นเครื่องเป็นหลักพิสูจน์สําหรับพวกลูกหลานทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ไปภาวนาได้บําเพ็ญทําจิตใจให้สงบจากนั้นพระองค์ก็รู้ด้วยปุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จากนั้นท่านได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเผยแผ่ให้แ่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตลอดน้ำมาก็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 กรสุดแท้แต่พวกเราจะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการพิจารณาทอนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เ, เมื่อเราได้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรปุเพเนวาสานุจติะะตายานตุตูปปาต ย, ยานอานสาวขย้ายยาณพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านบอกว่านรกสวรรค์มีตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดตอนี้ท่าน็ยืนยัน พระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารถถึงอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคือคือโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นดูแลพระสงฆ์แต่นี่นางคนนี้นะ่ยอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพออยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับบริวารเป็นบริวารของเทพพระบุตร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 มันยืมกันไม่ได้ ใ, ใครหมดบุญก็รู้แก่ใจถ้าเป็นผู้สังเกตจะรู้ได้ว่าตัวเองหมดบุญเทวดาที่จะหมดบุลคือกวนกะวยแล้วก็มีความทุกข์ในใจใคล้ายๆบอกหาความสุขไม่ได้ผู้เป็นบริวารหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้อยู่ในนั่นก็บอกเออคุณจะหมดบุลในลักษณะอย่างนี้คือหาความสบายกายสบายใจไม่ได้ หรือเงือออกในตัว เ, เงือออกมีเงือออกในเทวดาตามปกติจะไม่มีเงือแต่นี้เทวดามีเงือออกสแสดงว่าเทวดาคนนั้นจะหมดบุญแล้วแต่นนางกคนลังสนุกสนานหมู่พเพื่อนก็ไม่ได้สังเกตพอนางฉะนั้นพอหายปั๊บมันไม่ได้เผาผีกี่กระดูกเหมือนเมืองมนุษย์นะอพอหายวับร่างกายของหมดบุญไปเลยลงมา ลงมากมาเกิดที่กรุงสาวัตถีไปเกิดในตระกูลหนึ่งก็ไม่ใช่ตระกูลที่ร่ํารวยมากแต่พ็พอเกิดขึ้นมาแล้วนางระลึกชาติผลหลังได้เ อ, อเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่สวรรค์แต่เรามาเกิดในเมืองมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี่ยพอมาเกิดขึ้นมาก็ก็รู้สึกตลอดเลยว่าเราเกิดเราระลึกชาติผลหลังได้เราเกิดอยู่บนสวรรค์ แต่ในใจของนางเนี่ยยังล้ำลึกถึงเทวบุตรหรือว่าเทวดาหมู่พกเพื่อนอยู่สนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่จากนั้นนางก็อายุ16ปีก็ได้แต่งงานเพราะแต่งงานก็มีสามีพอสามีแล้วกออ็ต่อมาก็มีลูกแต่นางตั้งแต่รู้เรียงสาภาวะมาเจ็ดแปดปีขึ้นมานางก็ไปช่วยทําบุญในหมู่บ้านคล้ายๆว่า พระ ส, สง์มาฉันมาฉันในชุมชนมาฉันในชุมชนหมู่บ้านของเรานางคนนี้จะเป็นผู้จัดอาหารเป็นผู้จัดถาดเป็นผู้จัดถ้วยชามจากนั้นก็เป็นผู้ทําความสะอาดปัดกวาดให้เขาว่าเป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนในการดูแลที่ที่ฉันจากนั้นใครเอาอาหารมาถวายพระถั้าตัวเองไม่ได้อยู่ก็ บ, บอกฝากไว้กับนางคนนี้แหละชื่อนาง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 ถึงอยู่ชั้นสวรรค์อยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่แตน่นางก็ดูแลปนิบัติพระสงฆ์ทุกอย่างแต่นางก็ได้ลูกทั้งสี่คนนะออดูทั้งสี่คนแล้วนางก็เป็นผู้ดูแลปนิบัตรพรบิพระสงฆ์เวลาคบฉันพระสงฆ์ก็มาแล้วก็เอาจัดอาณนะมานางนี่ก็ดูแลเมื่อพระสงฆ์กลับไปแล้วก็ปฏัติวารทำความสะอาด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 ปฏิพูชิกาเขาทําดีแต่วันนี้ทําไมไม่มีใครนางไปไหนวันเนี้ยไปธุระอะไรคนทั้งหลายเขาก็บอกว่านางตายเมื่อวานนี่พระสงฆ์ทั้งหลายาก็เกิดความสลดสังเวชใจเพราะมาทํางานด้วยกันแท้ๆดูแลพระสงฆ์ทุกวี่ทุกวันก็มาตายเสียแล้วนางได้ลูกสี่คนจากนั้นพระสงฆ์เมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปวัดป่าเชตตะวัน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 ที่เก็บดอกไม้อยู่น่ะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่แกหายไปไหนบ้าแว บ, บมึงแล้วก็เห็นโผขึ้นมาไปไหนมาเนี่ยนางคนนี้ก็ตอบว่าดิฉันไปเกิดเมืองมนุษย์เฮ้ยไปเกิดทำไมมันไปเกิดไปยังไงนางก็เล่าให้ฟังว่าไปเกิดเมืองมนุษย์อายุสิบหปีก็ได้แต่งงานจากนั้นก็มีครอบครัวแล้วก็ได้ลูกทั้งสี่คน แต่ในใจยังคิดถึงสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์อยู่อยู่ตลอดเพราะนั้นข้าพเจ้าเมื่อตายจากแล้วข้าพเจ้าขึ้นมาเทวบตรก็ถามว่าเมืองมนุษย์อายุเขาเท่าไหร่ร้อยปีเป็นยืนพื้นอันนี้คืออายุยืนร้อยปีแล้วเขาทําบุญทําทานไหมในเมืองมนุษย์นางเทวดาเนี่บอกว่าเขาตั้งอยู่ในความประมาทเป็นส่วนมาก